พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสี่พระสูตรที่หกอาเนชชาส ป, ปายสูตรสูตรว่าด้วยปฏิปทาเป็นที่สบายแก่อาเนชชาําว่าอาเนชชะนี้จะได้แก่อะไรเป็นปัญหาสําคัญยิ่งทางวิชาการในสุนัขขตสูตรที่ห้าแสดงว่าฌานหรือสมาบัตหกเป็นอาเนชชะคือรูปฌานสี่ อรูปฌานที่หนึ่งที่สองแต่เวลาอธิบายอนเนญชาพิสังขารพระอัฏฐกะถาจารได้อธิบายว่าเจตนาในอรูปฌานสี่เป็นอนเนนชาพิสังขารไม่พูดถึงรูปฌานเลยคงเอารูปฌานไปไว้ในปุญญาพิสังขารแต่ลีลาพระพุทธภาสิที่แสดงในสูตรนี้และในสุนักขตสูตรก่อนถึงสูตรนี้ อเนเะมีความหมายคลุมทั้งรูปประจานสีและอรูปปัจจานที่หนึ่งที่สองดังกล่าวแล้วอันหนึ่งคำว่าอเนเชแปลว่าความเป็นสภาพไม่วันไวแต่ในเล่ม21จะจตุ ก, กันนิบาตอังคุตระนิกายทรงอธิบายอเนเชว่าได้แก่อรปอูปประจานสีอเนเชสัปปายสูตร พระผู้มีพระภาคประทับนนิคมชื่อกัมมาสธรรมะแคว้นกุรุณนะที่นั้นได้ตรัสชี้ให้เห็นโทษของกามและกามสัญญาคือความกําหนดหมายเกี่ยวกับกามตรัสว่าทั้งสองอย่างนี้เป็นบ่วงมานเป็นวิสัยของมานเป็นเหยื่อล่อของมานเป็นที่โคจรของมานทรงสแสดงว่าอาริยาสาวกพิจารณาเห็นอย่างนี้ อยู่ด้วยจิตอันเป็นมหาคตะคือเป็นฌานเมื่อตายไปก็มีฐานะที่วิญญาณพึงเข้าถึงอเนเชะหมายถึงความเป็นสภาพที่ไม่หวั่นไหวนี้จัดเป็นข้อปฏิบัติที่หนึ่งอันเป็นที่สบายหรือเข้ากันได้กับอเนนชะทรงแสดงข้อปฏิบัติที่สองอันเป็นที่สบายแก่อเนนชะเช่นข้อแรก แต่เพิ่มการพิจารณารูปทั้งมหาภูต ร, รูปคือรูปใหญ่ได้แก่ธาตุทั้งสี่และอุปาทายรูปรูปที่ปรากฏเพราะอาศัยธาตุทั้งสีทรงแสดงข้อปฏิบัติที่สอันเป็นที่สบายแก่อเนชะแต่เพิ่มการพิจารณาเรื่องรูปและรูปสัญญาคือความกำหนดหมายรูปให้เห็นไม่เที่ยง ไม่ควรยินดีทรงแสดงข้อปฏิบัติที่หนึ่งที่สองที่สอันเป็นที่สบายแก่อากินจัญญายตนะคืออรูปปะสมาบัติที่สมว่าได้แก่การที่อริยสาวกพิจารณาเห็นว่ากามกามสัญญารูปรูปปัญญาอาเนนชาสัญญาดับไม่มีเหลือในอากินจัญญายตนะ ซึ่งเป็นสมบัติหรือฌานที่มีความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์พิจารณาเห็นว่าอากิจญจญายตนะว่างจากตนจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนและพิจารณาเห็นว่าเราไม่มีในที่ไหนหนเราไม่เกี่ยวข้องกับใครในที่ไหนไหๆใครๆไม่เกี่ยวข้องกับเราในที่ไหนไหๆเราไม่มีเกี่ยวข้องอะไรเลย ซึ่งรวมพิจารณาความไม่มีอะไรสี่แง่ทรงแสดงข้อปฏิบัติที่เป็นที่สบายแก่เนวสัญญาณสัญญายตนะคืออรูปปัมาบัตที่สี่ว่าได้แก่การที่อริยสาวกพิจารณาเห็นว่ากามกามสัญญารูปรูปสัญญาอเนเชาตสัญญาดับไม่มีเหลือในเนวสัญญาณาสัญญายตนะ หรือสมาบัติที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่พระอนนท์กราบทูลถามว่าภิกษุผู้ปฏิบัติอย่างนี้วางเฉยได้จะพึงปรินิพานหรือไม่ปริณิพานตรัสตอบว่าปริณิพานก็มีไม่ปริณิพานก็มีที่ไม่ปรินิพานก็เพราะยังมีอุ ป, ปาทาน คือยึดมั่นในวาสัญญานาสัญญายตนะที่ปริณิพานก็เพราะไม่มีอุปาทานพระอนนท์กราบทูลถามว่าความหลุดพ้นอันเป็นอริยะหรืออริยะวิโมกเป็นอย่างไรตรัสตอบว่าได้แก่อมะตะคือความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะไม่ยึดมั่นสิ่งต่างๆที่รวมเรียกว่าสักกายะ หรือกายของตนคือกามกามสัญญารูปรูปสัญญาอาเนนชาสัญญาอากินจัญญายตนะสัญญาและเนวะสัญญานาสัญญายตนะสัญญารั้นแล้วตรัสชี้ว่านั่นโขนไม้นั่นเรือนว่างท่านทั้งหลายจงเพ่งจงอย่าประมาทจงอย่าเดือดร้อนในภายหลัง นี่แหละคืออนุสาสนีของเรา